มันต้องเอาจริงเอาจังมันทาเล่นๆไมาได้เราพิจารณาที่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่มีเรื่องเล่นเลยไม่มีเรื่องของกิเลสเข้าแทรกเลยทั้งๆที่กิเลสมีอยู่ในพระทัยของพระองค์แต่ไม่มีกิเลสโผล่มาเป็นกิริยาอาการต่างๆ ลองคิดดูสินั่นถึงสมชื่อว่าผู้เข้าขังกิเลสจากห้ากิเลสไม่ยอมให้กิเลสมันโผล่มาในแง่ใดโดยความแท้มันด้วยโดยที่อารมณ์มันหรือโดยเห็นแ ก, ก่กรรมมันอย่างนี้ไม่มีนั่นละ่ะให้ถือเป็นตัวอย่างพุทธังสนังกระฉานี้ให้ถืออย่างนั้นอย่ามาถือเล่นๆธรรมังสนังกถามนี้ออกมาจากวิธีการอย่างนี้ธรรมะพุทธในปรากฏขึ้นมา ทั้งทางสนากระถามนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ทําเล่นๆ น, นี่เราได้เคยเคยพูดเสมอให้เป็นที่ลงใจกับหมู่เพื่อนให้ถึงใจว่าไม่มีการปราบปรามไม่มีการต่อสู้ไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานปราบปรามที่เละต่อสู้ที่เละถอดถอนทิ่เละภายในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่แหลมคม มากมาเป็นเวลา น, านานบนหัวใจสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงต้องยอมจำนนโดยหาทางท้านทานไม่ได้ไม่คิดไม่สำนึกในในโทษของมันแล้วจึงไม่คิดสนใจที่จะหาวิธีต่อต้านยอมมันอย่างราบด้วยกันทั้งนั้นอ่ะทั้งสามโลกธาตุไม่มีใครเจงโขไข่ นี่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นตรงขุดคน้นศาสตราอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องของจิเลยและตรงเห็นโทษของจิเลยมีความเกิดแก่เกิดตายอันเป็นผลของจิเลยเป็นสาคัญที่พระองค์ทรงทราบค้นให้จนเจอถึงนั้นมาให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตามวิธีการของพระองค์ซึ่งเหมือนกับ อะไรก็ปรับปรุงมาเรียบร้อยหมดแล้วมีแต่จะล้างมือเปิดเทราะนั้นมันก็ขี้เกียจมันก็หมดท่อนทางอหละถ้าลงเป็นอย่างนั้นแล้วสระขาตรรัวพระกวาตาธรรมโมไม่เรียกว่า ป, ปุงเป็นรูปสําเร็จรูปมาแล้วจะเรียกว่าอย่างไรขัดข้นทำมังคุดเจ้าที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนั้นขัดข้นได้ที่ตรงไหนไม่ว่าทดดําบทใดบาทใดขั้นใดภูมิใดของธรรมเป็นสวาขาธรรมล้วนๆทั้งนั้น จะม่เรียกว่าปรุงมาเรียบร้อยแล้วได้อย่างไรถ้าเป็นอาหารก็พร้อมแล้วที่จะรับทานเพียงแตเราจะล้างมือมาเปิบเท่านั้นมันก็จะตายแล้วจะทำยังไงนี่นะเพียงจะปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระ อ, องค์ทรง ส, ง ส, งสงั่งสอนไว้เท่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ยังคอยให้แต่กิเลียดเหยียบย่าทำลายตลอดเวลาทั้งขณะที่ประกอบความภาคเพียนอยู่ด้วยท่าต่างๆ เขามีแต่เรื่องของชิเลศเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดมาไม่มีเรื่องของธรรมได้เหยียบย่ำทำลายชิเลศบ้างเลยแล้วเราจะหวังเอาความนาชนะกิเลสได้ที่ตรงไหนแล้วจะหวังความบุดพ้นไปได้ที่ตรงไหนมันไม่มีทางทำนักปฏิบัติไม่กินไม่จั ง, จงต่อสู้กับชีเลศด้วยความเห็นโทษของมันและด้วยความเห็นคุณค่าของธรรมในการต่อสู้ฝ่ายเหตุและผลของธรรมคือความเลิศประเสริฐที่บุดพ้นจากกิเลศซึ่งเป็นเครื่อง ปฎิบัติบังคับมาเรือนานแล้วงะหวังเอาผลประโยชน์อะไรต้องเอาอย่างนั้นสินี่เนี่นคยต่อสู้มาแล้วมันถึงได้ได้พูดดังเต็มปากให้หมูเพื่อนฟังก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เวลาได้เข้าต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วถึงได้รู้ว่ามันหนักหนักจริงๆหนักแทบล้มแทบตาย มันมีเวลาที่จะมองดูเมฆดูหมอกดูดวดาตะวันได้เต็มหูเต็มตาคิดอะไรได้อย่างสะดวกสบายใจเลยเมื่อกิเลสยังควับหัวใจอยู่มีแต่เรื่องการกระตบกระเทือนด้วยการหยยบยั้ททงลายจากีิเดสและการต่อสู้กับกิเดสไม่ลดละเท่านั้นถึงพอมีช่องมีทาง เวลาจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสก็เคยพูดแล้วนี่มันแทรกออกมาทุกระยะระยะทั้งๆที่เราคิดในแง่อันเนี้ยนนทาแง่ขงกิเลสแทรกมาด้วยเงี้ทรกแทรกมาด้วยถ้าสติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมจริงไม่ทันกับปัญญาของกิเลสที่แทรกทํามาเดินดํางดัเหมือนอย่างลทัทธิเขาแทรกทำเอาศาสนาเนี่ยถ้าเกียบศาสนามาในตัวเอาศาสนาออกเป็นโลกบังหน้าไปเรื่อยแล้วเกียบศาสนาไปในตัว นี่กิเลสก็เหมือนกันเราว่าเราทําความเพียรแต่เรื่องของกิเลสมันแทรกออกมาในความเพียรของเรานั่นเราไม่ทราบได้ไม่นานก็เดียวหงายลงเวทีไปแล้วต้องคิดให้มากผู้ปฏิบัติอย่าดูเฉยเฉยนักปฏิบัติไม่คิดไม่ใจไม่ตรองไม่ขยันมันเพียรไม่อดไม่ทนไม่มีใครทําได้ในโลกนี้เพราะศาสนางองค์เอกเอกทุกอย่างทางฝ่ายการบำเพ็ญ ทางปฏิบัติเพราะมีใครสู้ไม่ว่าจะเป็นความภาคเพียนความอดความทนความพิจารณาใจจางทุกแง่ทุกมุมอันเป็นเหตุแห่งความดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงเลิศโลกนั้นจึงได้ผลอันเลิศโลกมากสั่งสอนโลกให้ได้พอลืมหูลืมตาดั้งบ้างอย่างพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติด้วยดานี้นั่นจะถือว่าเราเป็นคนลำได้รับความลาบากลำบนไม่ได้คํานึงถึงพระเจ้าผู้ทรงบําเพ็ญ หรือบุกเบิกมา ก, ก่อนบ้างแล้วมันก็หมดทั้งทางมาคิดถึงแต่ตัวลำบากอย่างเดียวนั่นแหละคือทางทอ้อถอยทางแพ้จะอยู่ตรงนั้นเหมือนนี้ความจำเป็นมาจิตใจจะทอ้อถอยด้วยอาการใดโดยกลมายาของจิตเหลือเราต้องยกทำขึ้นแก้เสมอเสมอนั่นจึงเรียกว่านักต่อสู้สติปัญญาพ้นคิดมาแก้กันในเวลานั้น นี่เอาให้มันเห็นทัศตรงนี้ที่เดินจงกรมอยู่นแต่สถานที่นี้ไม่มีเสือไม่น่ากลัวพออยู่ในป่าที่มีเสือเดินจงกลมีเสือกระหึ่มก็ะหึ่มขึ้นท่างทาง่นานจงกลมนะตามบริเวณเหล่านั้นนั่นตัวสั่นขึ้นแล้วนั่นเหรอไงตัวสั่นแล้วมันต้องมีทางออกล่ะที่นี่ที่เลรนอ่ะมันจะทําหาทางออกนะ หาทางออกฝึกเกลียดนี่เป็เรื่องของเกียดจะหาทางผูกมั่นเรากลัวกลัวตายเนี่ยเพราะนีสติปัญญามียังไงถูกค้นขึ้นมาใช้เวลานั้นเอามันจนเดินจนกองแข่งเสียงสือไปได้อย่างสบายไม่สะทกสะ้านนั่นจริงจี่อว่านักต่อสู้ด้วยสติปัญญาตามหลักธรรมคุ้นจ้าจริงไม่ใช่ต่อสู้แบบบอกแตบบ่ว่ามอบให้เขาไปตีเอาเตะเอาเฉยทา ง, งต่อสู้โดวยวิธีการทํายกผางตนเอง นี่อย่างนี้นก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งเป็นมูบายที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นมันจนกรอกคือเราไม่ถอยนี่ถอยขึ้นมามันก็ได้ใจแท้อยู่ไปให้หนักผ่นดินทำไมไม่ได้ยินเสียงเสือกือหืนโดดเข้าหาที่พักหาที่กำบงังหาที่หลบภัยเข้าใจว่าตุนฉลาดมันโง่จะตายแล้วนี่ถ้าเป็นนักธรรมะเรียกว่าโง่จะตายนักศาสนาทายังไงจึงจะไม่หนักศาสนาวะ ก็ต้องต่อสู้ด้วยวิธีการนั้นี้เอาตายก็ตายโรคมีเป็นโรคเกิดจากเจ็บตายแล้วตายในสนามโลกไม่เป็นไรเสือกินเราแล้วมันก็จะตายเหมือนกันธาตุกินาตุพิจนาแย่ออกไปทุกแง่ทุกมุมสุดท้ายมันก็จิตใจก็สังหารพาเผยขึ้นมาองค์อกค้าหารขึ้นมาค้นหาเรื่องความตายมันเลยไม่มีมีแต่ธาตุถือกินน้ําลมไฟพ้นขุดกันไปขุดกันมาจนกระทั่ง จิตมันตายไม่เป็นมันกลัวหาอะไรมันตายไม่เป็นไม่ใช่ชี้เหล็ดหลอกจะเป็นอะไรหลอกนี่วะนั่นมันรู้แล้วเดินอย่างสง่าผ่าเผยอ้ามันเดินสมมติว่าเสือเดินเข้ามาทางกลมที่เรากําลังเดินนั้นไม่มีถอยเดินเข้าไปรูปคาหลังมันจนได้เลยนี่เคยทรมานมาไม่รู้กี่ครั้งแบบนี้นะถึงได้กล้ามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังเอาจริงเอาจังดังที่ว่าเดินบุก ป, ป่าฝ่าดงไปจน ข, ข้ามเรือนี่ก็ทำนี่เป็นอะไรพูดอวดหาประโยชน์อะไร ผู้เชื่อเป็นคติเราได้ผลอย่างนั้นเราก็หาวายวิธีการตามที่ได้ผลมาลั่นมาสังสอนหมู่เพื่อนสมกับตนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้คติแก่หมู่เพื่อนได้มากน้อยเทียงไรก็ต้องนํามาสอนเราไม่สอนแบบโอ้อวดไม่ได้สอนแบบไม่จริงออกมาสอนเราทํามากินอย่างนั้นแล้วได้ผลมาจริงๆด้วยเห็นชัดทุกครั้งไม่มีพลาดถ้าลงได้เจ็ดกินได้เด็ดแล้วาขาดหัวใจจะขาดขาดไปชีวิตจะขาดขาดไป แต่เรื่องการต่อสู้ไม่ขอยนักรบถอยไม่ได้พราชญาความจริงมีอยู่ภายในจิตใจแพ้ไม่ได้ตายก็ตายเถอะแต่อย่าอยากให้จิตได้แพ้ก่อนแล้วกันร่างกายนี่มันสูญวิสัยเอาจะอะไรไเอาไปกินเอาไปชินแต่จิตใจซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อชัยชนะนี้จะถอยไปไม่ได้นั่นนักเข้าหนักเข้าเขาล้มละลายที่เหลยอความกลัวอะไรอแตกกาท่านเกิงไปหมดนั่งเหลือจากความสงา่าผ่าเผยด้วยสติปัญญาองค์อาจกล้าหาัน รอบตัวทีนี่ไม่มีตัวอะไรเลยแม้เสือจะเดินเข้ามาต่อหน้าต่อตาเดินเข้าไปหามันได้อย่างสบายไม่มีสตุทรานนั่นฟังสิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ร, งรง sis, นี่กลิ่นเวลามันตัวเหมือนตัวสัน่นมันเหมือนจะตายจริงๆในขณะนั้นเฮ้พอจิตทรมันความตัวได้อย่างประจักษ์แล้วความข้าหานเกิดขึ้นมาเหมือนกับจะตัวสั่นน ะ, ะที่นี้อะไรเข้ามามาเธอโน่ น, นอ่ะมันอาจารท่าทยายเสือเดินเข้ามานี่เราก็จะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างสบายไม่จะสตุท้าน เสือจะเอาไปกินหรือไม่กินมันมันไม่ได้ชิดนะมันทราบอยู่แต่ชัดๆทางใ น, ในใจิตใจว่าไม่มีสะักสะพานไม่มีกลัวเลยเดินเข้าไปรูปคลำหลังมันได้ยางสบายอ่อนนิ่มในหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องอ่อนถ้าพูดถึงเรื่องแข็งก็ง แ, ขงแข็งแกร่งเลยเอะอืมนั่นมันเป็นปิดเพราะมันได้ลงถึงที่มันแล้วมันอ่อนก็เลยกายเป็นความเมตตากับสัตว์ไปสเพสตาตาวาสัตว์ทั้งหลายนี่เข้ากันได้หมดไม่มีว่าสเพสตาสัตว์เสือจะกินหัวคนไม่มี <ม>เป็นอย่างนั้นมันก็แสดงให้เกิดความกลัว น, นี่มันไม่มีสัตว์เทราตามาสัตว์ต่างๆที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจือเกตายด้วยกันทั้งสิน้นมันลงนั้นดั่งถึงใจเลย<ม>เดินอย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยอะไรจะมามันก็ไม่เคยสนใจเลยที่นี่มีแต่ความรู้ที่มันเด่นดวงอยู่ภายในร่างของเราเนี่ย<ม>อะไรจะมีอานาจยิ่งกว่าหัวใจเวลาฝึกผลทร ม, มานแล้วนี่ก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่เคยได้ทําทําได้ผลมาแล้วนี่ อย่างเด็ดๆนี่ก็เป็นเด็ดอันหนึ่งคือเอาชีวิตแรกเลยจะเอาตาก็ตายไม่ถอยเดินบุก ป, ป่าฝ่าดงไปนี่เอาจนมันได้เหตุได้ผลไม่ได้เหตุได้ผลไม่กลับใครจะเป็นบ้าก็ว่าบ้าก็ช่างเถอะเราไม่ได้เป็นบ้าเราท ร, รมานกิเลสของเราต่างหากนี้ก็ได้ผลไปด้วยความกลัวกลับมาด้วยความกล้าหาญทานไทยสงา่าผ่าเผยมาเดินกรมอย่างสบายรู้แล้วคนวมายาของออกิเลสหลอกอกูหลอกอย่างนี้เองมันรู้อย่างนั้นชัดๆ เกิดขึมาขาหลังเอาเลยนั่นเพราะมันเคยได้ผลมาแล้วนี่มันได้ผลทางชัยชนะมาแล้วเหลือเอาอยี่เหลือวันนี้มอบเลยเที่ยวนั่นนี่ก็เป็นเรื่องเด็นอันหนึ่งที่เด็ปฏิบัติมาได้เด่นในจิตใจเจ้าของอยู่ประจักไม่เคยลืนเลยก็คือ น, นี่วิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือ น, นั่งดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วนั่นโฮกน้ำใหม่มันแสนสาหัส มันตัวสั่นไปหมดทั้งล่างเลยกระดูกทุกชิ้นทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นออกจากกันให้ได้แต่สาคัญที่จิตมันไม่ถอยจากสัจธรรมในวงของทุกขเวทนาเป็นต้นซึ่งเกี่ยวโยงกับกายแยกกายแยกเวทนาแยกกายตามสัดส่วนของมันที่มันมีความทุกข์มากน้อยอยู่เพียงไรตรงไหนเป็นจุดสำคัญแห่งทุกที่เกิดขึ้นแยกแยกอยู่ตรงนั้นสติปัญญาหมุนติ้วอยู่นั้นคําว่าหายไม่หายไม่ต้องไปสําคัญ เสียเวลาเอาให้มันเห็นความจริงมันเกิดขึ้นจากที่ไหนทุกไล่ตันไปไล่กันมาตั้งแต่ถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเป็นทุกแยกดูเวทนาเวทนามันบอกมันเป็นทุกข์ไหมมันก็ไม่มีสักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งฉะนั้นเวลามันที่กันารอบกันแล้วกายก็สักแต่ว่าเป็นกายะนั้นอาการแต่ละอาการเป็นสักแต่ว่าอาการแต่ละอาการเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตัวอย่างนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาทุกข์เขาลําบาด ทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่หวังจะมาให้ร้ายแก่ผู้หนึงผู้ใดมันเป็นความจริงแต่และอย่างอย่างเวลาปัญญาสอดแทรกเข้าไปให้เต็มที่เต็มฐานจนเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วต่างอันต่างจริงเนี ก, ก, า, า, กายก็จริงตามสภาพของกายเวทนาก็จรินตามสภาพของเวทนาจิตก็จริงตามสภาพของจิตและมาเห็นโทษทางความหมายความสําคัญมันหมายของจิตนีก่กระแสของจิตมันออกไปสําคัญมันหมาย ไล่กันเข้ามาไล่เข้ามามัน ม, ม, มีที่ไปแล้วก็วิ่งเขาจิตเข้าไปสู่ความจริงเสี ย, ยอยู่อยู่เท่าไรก็อยู่ได้เนื้อฐา น, ฐานทางใจเต็มที่อย่าว่าจะทุกขเวทนาเพียงเท่า น, นี้เลยในเวลาตายังจะหนักกว่านี้ถ้าลงขนาดนี้สู้มาแล้วแล้วเวลาตาจะเอาอะไรมาสู้วะเนื้อเพงตอนนี้สู้มาได้แล้วมีอย่างหรือที่จะไปสู้กันในขนาดตายนั้น อ่าต้องสู้ให้รู้ในเวลานี้นี่ก็คือสัจธรรมเวลาจะตายก็สัจธรรมถ้าไม่รู้สัจธรรมตรงนี้เวลาตายก็หารู้สัจธรรมได้ไหมนะฟาดกันหนึ่งกันหนึ่ยแต่ขณะนั้นจิตจะออกไปไหนไม่ได้นะจึงเรียกว่าเข้าสนามรบตะลุมบอนจะแยกออกไปข้างนอกไม่ได้เป็นอังขาดขุดค้นกันแหลกลงที่นั่นเหมือทุกเวทนาแสดงมากอะไรสติปัญญายิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วไม่งั้นไม่ทันการ่นะ มันก็รู้ขึ้นมาสัรู้ขึ้นมาเข้าใจขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเืยประจกักษ์นี่ล่ะรู้ความจริงรู้อย่างนี้เ อ, อ๋ออย่างนี้เหลือที่ว่าทุกเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เหลื อ, อมันเข้าใจชัดอุบายวิธีอย่านี้มีแต่อุบายวิธีที่เด บ, บที่เล็กแม่เห็นประจกักษ์ภายในจิตใจของตนเองมี็นจะนํามาสอนหมู่เพื่อน คนเรามันไม่ได้โงต่ตลอดไปส่วนมากเป็นปกติของนิสัยของมนุษย์เราหวังพึ่งจะผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่หลังจะพึ่งตัวเองเลยแต่เวลาเข้าจนกรอกจนมุมอย่างนั้นมันมันหาที่พึ่งไม่ได้นี่เคยพึ่งใครก็พึ่งมาได้เล้วมันก็ต้องย้อนเข้ามาพึ่งตัวเองเมื่อพึ่งตัวเองก็ช่วยตัวเองเอาที่จะยอมให้ตนล่มจมไปได้ยังไงคนเราเมื่อหวังความปลอดภัยไร้ทุกอยู่กับตัวอยู่แล้วจะต้อง ขุดค้นลงไปโจนกระทั่งถึงเอาตัวรอดเป็นยอดดีหนีขี้ลงไปบด้มีหลัการปฏิบัติทรรมะเราจะได้รับความทุกข์มากน้อยเพียงในก็ตามขอให้ทุกข์ด้วยประทุ่มลงไปเพื่อความเพียรผดผ่อนเฉลตนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปสละกํำลังวังชาความคิดความอ่านกับสิ่งภายนอกให้เสียเวลาเวลา สียสติปัญญาเสียกำลังวังชาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การทุ่มสติปัญญาศัทธาความเพียรกำลังวังชาทุกแหน่ทุกมุมทุกหยดทุกยาฟาดลงไปในความเพียรเพื่อสัดถอนกิเลสนี้เป็นคุณสมบัติอย่างยิ่งทุกๆประโยคแห่งความเพียรนี่กิเลสหลุดลอยไปได้กิเลสขาดชาวบ้านไปได้ด้วยกำลังวังชาเหล่านี้ีเราจึงชมเชยเนื่องการประกอบความเพียรเพื่อตัดถอนกิเลสทุกมากน้อยเพียงไรเอาเถอะ ไม่ตายนักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้ไข้ต่อสติปัญญาอยู่แล้วจะต้องขุดคน้นจึ้มาช่วยตัวเองจนได้เลยไปเป็นอื่นไปไมนได้เนี่ยกําลังวางช้างเรามีเท่าไหรให้ทุ่มเข้ามาเพื่อแจ้ที่เด็ยอยาไปทุบออกไปภายนอกโยมนั่นเรื่องนี้สร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งกับนั้นยุ่งกับนี้ซึ่งเป็นสิ่งภายนอกมีตั้งแต่เตี้ยนแต่น้ำที่จะมาทิ่มแทงจิตใจของเราให้เกิดความวุ่นวายสายแสย หาหลักฐานของจิตใจไม่ได้เลยจนกระทั่งวันตายเป็นประโยชน์อะไรอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเอาให้มันจริงมันจังภาณาจิตใจแล้วจะรู้ขึ้นมามาชงใสยแล้ะสัจธรรมอยู่ตรงนี้ทุกไม่ว่าทุกกายทุกใจมีอยู่ที่ร่างและจิตใจนี้แง่สมุ ท, ทยัยก็ได้จากี่เลสตัณหาทุกประเภทเรียกว่าสมุ ท, ทยัยเทานั้นแต่ท่านสรุปความลงย่อๆว่ากา마ตันหา ภาวะตันหาวิภาวะตันหานันทีิราคาชาค า, า, าตาตาตะตตะพิลามนีนีนี่เนามันจะหัวรคก ต, ต้ไปด้วยความกำหนัดยินดี เ, ดเพื่อเพลินลุ่นเลิงบันเทิงจ น, น, นลุมเนื้อลุมตัวได้แจนี่ยกลามาตันหาภาวาตันหาวิภาวะตันหารวมลงมานี่ยอดด่ายมีตรงนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตนี่ มาร์กได้แก่ข้อปฏิบัติอุบายวิธีการต่างๆทั้งประโยคพยายามทั้งอุบายวิธีต่างๆที่จะถอดถอนที่เด็กด้วยประโยคพยายามนั้นเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหลักสําคัญก็คืออุบายวิธีที่จะทำจทิตเด็กให้สงบตัวลงไปหนึ่งทำจทิตเด็กให้ขาดไปเดิยลาดับๆจงทั้งขาดสะบ้านจากใจหนึ่งนี่ท่านเรียกว่ามาร์กมาร์กคืออะไร ท่านสรุปลงว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาเป็นหลักสําคัญศีลเรารักษากันอยู่แล้วถ้าได้สงสัยแล้วสมาธิมันไม่สงบเพราะเหตุไรจึงไม่สงบฟาดจะลงไปที่หามันหาเห็นความสงบทําไมสงบไม่ได้ทำที่ท่านสอนนี่สอนเพื่อความสงบทั้งนั้นเช่นอารมณ์ของสมาถะมีอะไรบ้างเนี่ยแต่บริกรรมก็เอาให้มันจริงมันจัง แต่กําหนดอะไรเพื่อสมถะก็ให้มันจริงจังในหลักของสมถะมันก็ต้องสงบจนได้หรือมันไม่สงบด้วยวิธีนี้จะสงบด้วยปัญญาแตีต้อนเข้ามามันหมอบราบมันก็ได้ที่ว่าอย่างที่ว่าปัญญาอารมสมาธิซึ่งเคยได้ทํามาแล้วจึงกล้าเสียนกล้าเทศเราได้ทํามาแล้วด้วยได้เห็นผลมาแล้วด้วยจึงกล้าพูดกล้าเขียน น, นี่เป็นอุบายวิธีสองอย่างอย่างที่ปัญญาอารม์สมาธินี่ มันสงบได้อย่างอาถรรพ์อันนี้สงบอย่างเต็มที่ด้วยอาถรรพ์ด้วยสงบลงธรรมดาตามอารมณ์ของสมถานี้ไม่ค่อยอาถรรพ์สงบลงธรรมดาธรรมดาพอพูดตามผลของมันก็ไม่แนบแน่นเหมือนปัญญาตีต้นเข้ามาเวลามันคึกขนองนั่นเป็นเวลาที่ปัญญาจะต้องใช้อย่างเต็มเหนียวใชเอาให้มันหมอบเมื่อปัญญาทันนะั้นมันไปไหนไม่ได้หรอกมันหมอบเลยนั่น นี่ก็เรียกว่าสมาถะเนี่ยทำไมจะมีไม่ได้อุบายวิธีที่จะทำกิดให้มีความสงบท่านสอนไม่รู้กี่แน่กี่สังคงเนีมีปัจฉนาคืออะไรแปลว่าปัญญาใร่อจพินิษ์พิจารณาตามเหตุตามผลของร่างกายและอาการของจิตที่แสดงขึ้นมามากน้อยเป็นไปในแง่ใดบ้างปัญญาสอดส่องมองมันตามมันไปเสมอสติเป็นผู้ควบคุมงานเถอะไม่ได้สติเป็นหลักสาคัญมาก ประจํางานไม่ว่าจะงานของธรรมฐานงานนิปัสนาสติเป็นสิ่งสัมพันธ์นายควบคุมงานคือสติเรายกจ้องเราเห็นคุณค่าหลือตอัวสตินี่ทางที่ท่านว่าสติสบัตถปัฏิยาสติจําต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงฟังวัตที่ทั้งปวงไปหลักมีเว้นที่ตรงไหนไม่มี น, นั่นสติเป็นของธรรมฐานเอาให้มันเห็นเลร่างกายนี้มันก็ไม่มากไม่น้อยอะไรนี่ ท่านทำไมปัญญาแทงทำไมไม่ทะลุเอาข้างนอกมาพิจารณาเทียบเทียงกับภายในแต่พูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังมันก็เต็มไปด้วยกองอสุภะอยู่แล้วปราชาผีดีบเราเห็นกันอยู่ชัดๆในร่างกายของเราและร่างกายของผู้ใดของสัตว์ของบคุคคลอะไรก็ตามมันก็เต็มตัวอยู่แล้วตามหลักความจริงแต่จิตมันถูกกิเลสลากถลเหล่ถลายไปทั้งอื่นเสีย<ม>ไปเสพสารปัญญาอเอาของไม่จริงว่าผ้าสวยว่างามว่าน่ารักใกลชอบใจมันหัดหัด ที่น่าสวนน่างามรักใหครับแต่ที่ตรงไหนเรายังไม่ยอมเชื่อมันได้ของไม่จริงของจริงก็คืออสุพ่าอาุพังเต็มตัวทั้งภายนอกภายในนี่เป็นความจริงตามหลักธรรมคุเจ้าค้นเข้ามาให้มันเห็ความจริงในที่จิตมันจ ะ, ตะเตลิดติตัวไปไหนมันก็เมื่อจิตยอมรับความยอมรับปัญญาที่ทราบซึ่งตามความจริงแล้วมันก็ต้องเหมาะมันต้องถอยตัวเข้ามาเพราะนั้นเองเรื่องของปัญญา าพิจารณาภายนอกก็ได้เรื่องอสุภาอสุพังนี่เป็นหลักใหญ่สาหรับจิดในภูมิที่เดือดร้อหาการมรรคะเอาอสุภาอสุพังให้มากต่อจากนั้นแต่ก็แยกเป็นอนิจจังสุ ข, ขังหน้าตาไปละเอียดไปเดินดับสุดท้ายก็ลงอนัตตามีตามาพิจารณามามันคงจะเป็นความถนัดตามจะดิษฐนิสัยทัหรับเร า, าพิจารณาลงไปไปแล้วมันไปรวมอนัตตาหมด พอถึงอนาตาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาทั้งปวงสเบธธรมมานานังอภินิเวศายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นน่านคำว่าไม่ควรถือมั่นอะไรมันเป็นอนัตตาทั้งสิ้นสเบธธรรมานตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งปวงหมายถสมุดทั้งมวลท่านเป็นอนาตาทั้งสิ้น่ อ, อยหมดถึงขั้น ที่ควรปล่อยมดแล้วอะสเปชธรรมาราตาทําทั้งพวงเป็นหน้าตาสิ้นนะท่านบอกทำทั้งพวงไม่ควรถือมัน่นเนี่ยเวลาถึงขั้นแล้วไม่ถือมัน่นปล่อยหมดตัวเองผู้ปล่อยก็ไม่ถือมันน่นในตัวเองรู้ลอกผับคิดอดีตอนาคตปัจจุบันรู้เท่าทันทั้งนั้นปล่อยขาดสะ บ, บั้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือ อํนนานาจของปัญญาเป็นอย่างหนึ่งนี่แหละสัจธรรมธรรมนิโรดนิโรธคืออะไรก็เป็นผลเกิดขึ้นจากมากที่ดับกิเลสไปโดยลําดับลําดับนั่นแหละที่เลสดับมากน้อยกับความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสนั้นก็ต้องดับไปตามหลักธรรมชาติของมันแต่ท่านแยกตามอาการวราทุกสุมูทยนิโรธมากถนัวอย่างนั้นมันก็เหมือนเราตามไปขึ้นเนความมืดมันก็ดับไป มันใช่แบบตามแฟมิลี่จะไปเที่ยวหากรรมจัดความมืดมันนักเป็นอยู่ในฉากเดียวกันพอดับไฟลงภาพความมืดก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันมผมเปิดไฟขึ้นความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปอันนี้พอปัญญายาได้ปรากฏขึ้นเต็มที่ความมืดไม่ว่าจะอยู่ในซอกใดมุมใดของจิดมันหายไปหมดรอบตัวไม่มีเลยเหลือเลย นัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเป็นขั้นๆเริ่มเป็นความสว่างเป็นตามขั้นของปัญญาถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นมหาสีมหาปัญญาเอาเป็น ป, ปัญญาวิมุตถึงว่าวิมุตต์อันใดปัญญานั้นปัญญาอันใดสติอันนั้นถูกไม่มีค้านเมื่อถึงขั้นไม่ค้านแล้วค้านไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติของของความจริงอย่างนั้นเอง แต่หลักของสมมุติที่จะก้าวเข้าสู่วิมุตติก็ ก, ก็ต้องเป็นไปตามขั้นของตนเช่นมหาสติมหาปัญญาอันนี้เป็นขั้นดําเนินมากเพื่ออรหัตต ม, มรักษ์จะฆ่ากิเลสอย่างละเอียดได้ด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญานี้พอผ่านกิเลสทุกประเภทไงหมดแล้วด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญานี้แล้วทำทั้งสองคือมหาสติมหาปัญญานี้ก็ หมดหน้าที่ไปเพราะอันนี้ก็เป็นสมมติเหมือนกันไม่มีปัญหาจะเรียกปัญหาสติมหาปัญญาอย่างตะก่อนไม่ได้ไม่เรียบไม่คัดไม่ค้านเพราะ น, นี้เป็นคู่กันกับกิเลสอวิชชาปราบกันตรงนั้นคู่ปราบกันพอเลยจากขั้นนั้นไปแล้วจะเรียกว่าสติจะเรียกว่าปัญญาไม่สาคัญทั้งนั้น นอกจากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นดังที่ท่านพูดไว้ในหลักพข้อในว่าเช่นพระอราหารันต์ถูกโจทย์เป็นสังฆาปาราชิกอะไรนี้ท่านเป็นผู้มิท่านเป็นสติวินยัยว่าอย่างนั้นเอามารับกันเท่านั้นเองอ่ะท่านเป็นสติวินยัยนั่นคือสมมุติพูดง่ายๆว่าท่านบริสุทธิ์แล้วมีฐานะอะไรที่จะไปเกี่ยวข้งของเอานี้นี่ไม่ใช่ฐานะของท่านเนี่ยพูดง่ายๆ ยกออกมาลาบการเช่อนั้นถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วท่านท่านเองท่านไม่ได้สาคัญตนท่านว่าท่านมีสติหรือท่านขาดสติพระจักอยู่ภายในใจก็คือบริสุทธิ์เต็มที่แล้วที่ว่าหมดเรื่องส ม, มุติทั้งปวงภายใจิตใจแล้วเท่านั้นนี่คือเต็มภูมิของภูมิจุดภูมิธารม ท, ท่านนั้นท่านหมดความทัง้งภายในด้ถึงนิพพานแล้วท่านก็นไม่ว่า คว่า น, นิพานิพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาตินั้นเป็นอะไรก็รู้อยู่กับใจแล้วสงสัยอะไรไปหาชื่อหาเสียงอะไรที่ไหนอีกนอกจากจะนำมาสอนโลกก็ต้องแยกแยกไปตามขั้นตามสมุตขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงหนักแน่นในการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งสำคัญกว่าการแก้กิเลสและอย่าเห็นโทษใดมีโทษยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสและอย่าเห็นคุณใดมี คุณค่ายิ่งกว่าการกราบปรามที่เด็ดในฝ่ายมากและฝ่ายผลซึ่งเป็นของที่มีคุณค่ามาศาลหาที่เปรียบ ม, มาได้แล้วในโลกของสาลนี้เอาเป็นกระตายก็ให้กําลังบังสามมอบลงเพื่อการตัดถอนที่เด็ดอย่างเดียวอย่าไปเสียเวล่ำเวลาความคิดความตึงอะไรอะไรไปเปล่าโดยที่เด็ดไม่ฉลองบอกปเปิดเลยสติปัญญามีมากน้อยให้คุ่มเข้ามาตรงนี้คุ่มเข้ามาตรงนี้าา ต, รนตรงที่เด็ดอยู่นี้ คิดเรื่องอะไรให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อท่ากิเหลสทางนั้นอย่าไปคิดเรื่องสง่งเสริมกิเลสเพราะมันมีอยู่แล้วมันเต็มหัวใจยอยู่เวลานี้เรายังไม่ทราบอยู่เลยเอาให้มันจริงมันจังนี่เราอยากรู้อยากเห็นหมู่เพื่อนได้เห็นผลในการประพฤติปฏิบัติตามที่แนะนําสั่งสอนนี้เพราะเราสั่งสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิของเราเจนกระทั่งเรามีความสามารถที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วก็ให้มันรู้ว่ะ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 เห็นอะไรให้สําคัญยิ่งกว่าจิตนะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยไปช่วยการช่อเวลาบําบัดบรรเผากันไปอย่างนั้นแหละพอให้มีกําลังวังชาต่อสู้กับกิเลสนี่เรื่องสำคัญอยู่ที่ตรงนี้อย่าปหาความสุขด้วยการกินการดื่มการหลับการนอนซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นกับทําให้กิเลสกระเทือน อนนั้นเป็นคืองอาศัยชั่วการช่วเวลาพอบั้นบัดบัรนเทากันไปเท่านั้นให้ถือเพียงเท่านั้นอย่าไปถือเป็นสัมพันธ์ในเรื่องเหล่านั้นแล้วทําท่าไหนจะด้อยลงที่ริรศจะพองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกจิตใจให้จิตจใ จ, ตจให้จอกความมุ่งมั่นให้หนักแน่นแล้วความเพียรก็จะตามกันมาความอดความทนความอุสาพยายามทุกชิ้นทุกอันทุกด้านทุกทางจะหมุนตามกันมาเพราะความมุ่งมั่นนี่เป็นของสัมพันธ์มาก พูตรงนี้รูกสึกเหนื่อยแลยอขั้นนี้ก่อนขั้นเดี้ว